การหายใจการระมัดจใจควาที่ชัเสียงสังกระตุ้้ อ, องสั่นมีที่เจรนะิญแรงจิตใจแข็งจใจของเราหาความกระตุ้รละึกอยู่ ไม่เสียนหนึน่งเสียงใบนั้นจะต้องเอร่อนไปสู่สัญญาอารมณ์อย่างมนวันเด็ดกันครับแตามีสติสภาพัสแต่คลองรักสาเรื่องจิตใจไม่รู้เรื่องจิตอยู่กับอารมณ์อะไรสัญญาอะไรเป็นธรรมหรือเป็นอญญาธรรมอย่างไรตัวนั้น จะมีความเจริในการทำจิตทำใจทั้งคอหากเองข่านไปสู่จอยสติแต่แล้วนึกนดูอื่องทังจิตมันจะนึกจะคิดอะไรก็กล่อยไปตามปัญญาเที่มันชอบหรือจิมันข่นานเสี่นั้นคือนั้นที่จะพาวราน ตลอดการนานแร่ท่าไรก็ไม่มีวันที่จิตใจทั้งคนจะสงบระ ง, งับได้เหตุนั้นเรื่องปติจึงเป็นของสำคัญผีนักปฏิบัติทุกท่านในเยนมองฆ่าควมจะตั้งเอาไว้เราจิดทั้งคนสมันเสมอไปเวลาอยู่คนเดียวขอตาเวลาขันจังหันขอตาเวลาเดินยาาิงกระบะขอตา ให้มีสติแต่ถ้าแตกรองใจทั้งคนสม่ำเสม้ไปเราบริกรรมบทําอะไรก็ให้บริกรรมอยู่อย่างนั้นเพราะเราไปยินขบ่ายไม่ใไปหาคู่หาขายอะไรยื่งเป็นผู้เล็กผู้น้อยก็ยิ่งในนี้หน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนอกจากจะต้องปวดใจทั้งคนว่ามันปรงมันคิดอะไรจากวับไปถึงบาง้าน จ, จัดมาพื่ว่าจิตของเราอยู่ในธรรมในธรรมวิญธาณหรือในที่แกนะ่เะเกิดปติปัญญาอะไรขึ้นเลี้่ะงแอบแฝดยินวุ่นไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเรามาบวชม า, าจิตจิตใจวิว่าเราจะมาต่อจากพรครับอยากเลิอกอยากคิด อะไร่อยปล่อยให้มันนกมันจิตมันคลงไป์คารวาเป็นยางนั้น่นาจาะสยิ่งเต็มนักปฏิบัติอยู่แล้วตอมีสติต้มีปัญญาตงิ้ทิจารณาบทบาทในอย่างนั้ น, นจนนิตใจก็จะไม่เต็ใมใให้ติันเลยจะไปหน่อโอวะเราไม่มี บุญนวาศนานไม่มีบาลามีเที่ยงขอแต่ที่เราก อ, อยจิตใจลอยไปตามสัญญาลรเราไม่รู้เราไม่เข้าใจแต่มันเนค็จุดเป็นไข่จะเป็นอ่าไรนะลอยไป่ก็ยิ่งไหลไปทางชุวเพรจะปก ต, ติของจิตเหมือนกันกับ น, น้าบานธรรมดาน้น ต้อง u หลลงที่ตันเสมอไปจิตใจของมนุษย์เราก็ย่หลง่ัอย่างพาีตัเป็นที vine, year, also, talents, spring, aus ่เคยอยู่เยอายตงูที่สูง่างสวางนืดแทนที่ตนละที่หลุดเราไม่เคยมีเราไม่เคยเนเราไม่เคยเนเราไม่เคยรู้จิตใจจึงไมยา จใจไิตใจก็้ม่อยากจะปรุจิตใจก็ไน่อยากจะทำเราทางดีอย่างนั้นสอบไหลลงไปเราทางที่ตัดที่เสียเปลีนใดที่ตัดเปลี่ยนใดที่เสือเปลี่ยนใดที่ถ้าจิตใจจ้างจิตใจทค่ปลวกเรานม่จยาก้อเหมือนกันกับคนไข้สอบของแสลง คดว่ามันจะอรอยอรอยอย่างนั้นอยงแต่เมื่ยรับทานลงไปหรือขันลงไปแทนที่จะอ ร, อร่อยแทนที่จะยังร่างกายให้มีกาลังร่งกาแต่ลยดเป็ น, นที่เป็นไขเป็นธาป็กรตกรเทียมของไตโดยเฉพนที่สพเ ค, ครื่ไขยที่เหนื่อระวังรักษาตัวแอบอะไรกินใจอย่างนัน ทานไปอย่างนั้นไปใหญ่คนนั้นจะตายเพราตาของตุกเพราะในระหว่างสังวรเพราะอาหารบางประเภทแยกเป็นชิ้นเป็นไข่ในเนี่ยเวลาที่เราเป็นไข่ดัันในจิตใจของพวกเรานักปฏิบัตซึ่งยังมีไข่มีป่วยคือมีมีเรื่องปัญหาอยู่ ชอบอยากคิดชอบอยากดูชอบอยากใส่ชอบอยากเล่นในสิ่งที่ในเป็นสารประโยชน์สิ่งที่พระพุทธเจา้าให้สิ่งที่พระพุทธเจ้าอนุญาะจิตใจนดจิตใจนะจงจิตใจนะจิตใจเหนื่ยอยสัญญาอารมณ์เสืแต่สิ่งที่พระพุทธเจา้าอ น, นุญาตสิ่งที่พระพุทธเจา้าจงเลิกเสอม สิ่งที่พระพุเจ้าบอกว่อให้สกขัจิตใจไม่ใช่อยากจะทำไม่ใช่อยากจะเป็นไม่ใช่อยากจะคิดเพราะเส่วนดีส่วนสูงจิตใจไม่อยากจะคิดจะลงแต่ส่วนต่ำโดยไม่มีครูบาอาจารย์แนะนาท่านสอนถ้าจะกล่อยทานั้นก็ไปบันใหญ่น เลยสอบเลยเหยียดปากธรรมดาสายสั้นไปอย่างนี้เหมือนกันกับระลงถึงที่สั้นลี้งแต่เราจะขึ้นไปที่สูงสูงเชื่ไปยาวการเชื่อมจิดสูงสูงได้จะต้องอาศัยเหยียดเชื่อมไปต่างๆขั้นต่างๆเหมือนกันกับตบรรดาจะมีขั้นตามข้นสูงเป็นระดับระดับขึ้นมาจึงจะมาถึงสลาหรือ ปกติของเราได้ไม่ใช่จะมีแต่ท่านสูง ข, ขายเรียครูบาอาจารย์ที่ท่านเค้ฝึกอบรมท่านต่อฝึกแตงแฉ่ท่านาสอนะ ว, วงรักษาสิทของท่านในเมื่เวลา <c oughs> ยังมีขีดเหลือัญหาท่านอุสาห์พยาวามรักษาเพื่อปติแต่ถาแตกครองสิทของท่าทนไว้ ไ่ให้รงไม่ให้ดไม่ให้ดูไม่ฟัรสื่อสื่อจน่าดสิทธิ์ตัต่อเรื่องของคำการพยายามบังคับัญชาระวังรักษาั้งท่านจนจิตใจของท่านหลอดไข่มีกำไลในใจต่อคิัติัเมื่อจิตใจของท่านเคยรุงเคยิ อยากดูอยากฟังส่งที่ตแต่เมื่อท่านแนะนำท่านท่านรลวังท่านท่านรักษาท่านท่านมีสปัญญาสอนผิดของท่านจิตใจของท่านก็ผิดทนที น, นิดทํทททท า, ทดทาทททททได้คที่เสียใังชื่อจิตชื่นเมื่อใดท่านรู้ท่านเขใจว่าส่วนนั้น เป็นส่วนตีเสียหรือเป็นมามาแล้วควรจิตใจให้เต่าหมอหรือให้เชี่ยทางเราวังรักษาไม่ใจิตทั้งคันไปฟุไปติดไม่ให้ตาทั้งคันไปดูไม่ให้หัทั้งนไปสังไม่ให้ใจหมดเรืงทั้งนไปิดในวนั้นพาท่านไม่เป็นอยาน ยิ่งตามท่าไยิ่งไหลลงไปยิ่งตามเทายิ่งรักษายิ่งตามเทายิ่งยากลงไปคนที่อยู่ในสถานที่ศัจะมองเห็นถึงโลกกว้านว้ากว่าตายขจะมองเห็นได้ตั้งแต่สพนหยเท่านั้นเหมือนกันกับคนลงในหลุมในบ่อที่ลึกจะมองเห็นฟตาอากยงนิด่อตตา่อ มาจ้างาคนนั้นขึ้นจากบ่อมายื่ไปขึ้นเขาสูงย่มองเห็นไนกระถางที่ต่างๆเงว่าจ้างขดสายหีสายตาใดจิตใจของนักาวนามันเลื่อไหลลงไปสู่ื้าลงไปสู่ายตย่ จะมอ ง, งอเห็นแคบ้าไปเพืเห็นแต่แต่า แ, แต่ลิ้นแต่การเล่นการเท้นแต่ขี่เหลือกันแต่สายธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแนะสอนไม่้าวไม่ไข่ไขใจจิตใจก็เลยเมืบบ่อดำจิตใจก็เลยเศร้าหมองจิตใจก็เลยเยบือดร้อนไม่มีความสุขไม่มีความสงบไม่มีความเยียดเยิน ภาในศพเห็นตั้งแฝงแฝงการกินการเล่นการเพิดการเท้นแต่การถอขอนที่หลืดตันแหงการทำความถ่าความเกียงเพื่อจะยกจิทของตให้ข่วนใจจากโลกไม่ใคยมองจิตดังเอาหมดนี่แหละเรื่องจิตอยู่ในสถานที่ต่เาเป็นอย่างไรธรรมดาที่ต่ำ ก่อนเปนที่รู้ว่าไหลลงของกระจกกกโค้งงตางต่ารู้ว่าขี่มูาขี่มา้างหรอะไรต่ออะไรไหลลงไปสู่ที่ต่ำไปนั้นฝนตกจากท้งฟาอาจจะต่างไหลลงไปสู่หนืตูหน่อตูเบ่งตูบางี่มันตัดมันไปไหลขึ้นภูเขาขี่มันสูงไปแยกเนาะ จตจของผู้ไม่มีธรรมก็ไหลลงไปสู่ที่ตอย่างนั้นเมื่อไปไหลไปสู่ที่ต่ำอย่างนั้นของทุกอย่างที่อยู่ในที่ต่างๆจะต้องไหลไปต่างเช่นเช่นว่าใบมะใดหญ้าหรืี่หมูที่หมาต่างๆจะต้องไหลลงไปต่างที่ต่ำรลยจนที่ปกติที่ต่ำเลยจนที่เจ็บแท ของดีในดีเอาไว้สูงเท่าไรก็ยิ่งเป็นของสอาดขึ้นไปธรรมดายอดแม้จะอยู่สูงกไมา่เคยสกรปรก็นละอองมาใคยสิ้นไปถีและทิ้ทสงสกปรกจางล้วใคอคือขึ้นไปถ้าที่อยู่ในที่สูงสูงยอดสูงเูงนผักที่สอาดแหลมแล ะ, ะาน อาบน้ำชื่อต่ำๆไม่รู้ว่าน้ำลายหรืออะไรจะมาเหี่ยววะเป็นของโปะโกะสองล้างก็ทำาให้จะาอาจเยอะก่อนจึงมารับทานในหน้าศพจิตใจก็พวกเราท่านสมนุนกันยิ่งต่ำเท่าไรก็ยิงยไไย่งเห็นแก่ตัวไปแถวนั้นยิ่งเสียหายไปแถานั้นยิ่งเมื่อยดาโง่เขาไปทถานัา้นอาจิตใจ สูงเกินไปจะรู้เรื่องการรักษาตัวเองและจะรู้เรื่องของโลกทั่วไปว่าดีชั่วเสียาหาอย่างไรพอชุดได้อพอปรุงได้าการสอนจิตสอนใจทั้งตนจึงเป็นของสำคัญหากขาดจิตขาดปัญญาหากขาดามขาความเพียงความอดความทจิตใจจะต้องไหลลง ตามเสมอไปเกิดนั้นข uh ้ามอดคนความอัดเสียมพระพุทธเจ้าจ os> ึงกล่าวว่าเจ้าชายที่พวกนักปฏิบัติจะควรจิตขัดอารมณ์ให้เกิดให้มีเป็นในจิตแต่ต้นดานของตนนะในมีทามอดทนนั้นอยากคิดอย่างไรอยากทพานยังไรอยากพูดอย่างไร ไม่มีการผ่าเปียนพยายารักษาเอาไว้ไม่มีสติบังคับแต่ครองใจไม่มีปัญญาสอนตัวเองผู้นั้นนับวันจะเสียหายนับวันจะรไร้ค่าใน่มีราคาอะไรในการบวชของตกในการสิทธิอดลมของตนการสิทธิอดลมสำคัญอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่ความอดทนอยือที่คามผ่าเปียน ผู้ใดมีความอดนทนขัดเกลียดมีสติปกครองจิตใจมีปัญญาและสอนตัวค่องตัวอยู่เส ม, มอไปผู้นั้นถึงจะเป็นผูน้น้อก็แน่รักแน่เมตตาถึงจะเป็นผู้ใหญ่ก็หน้าบูชาหน้าคารพเพราะมีความใส่ใจตัวทวามส่วนนี้ไม่ใช่ จะมีซึโดยอัตโนมัติของมันจะต้องอาศัยการอา่อายยาอายอดอายคนอาสายแต่งทำบำรุงจึงจะเกิดจึงจะมีขึ้นทาเป็นองค์ปะกอบหรับบุคคลผู้ไม่มีปฏิสัยาสาหรับบุคคล ้อยู่ในอดคนในภาคในเกลียดแต่าำเป็นของที่มีตาละสำหรับผู้มีสติผู้มีปัญญาผู้มีความผาดเกียนอดนเราบวชมาคนพระที่ศุลสามมาเนนอยู่ในพระพุทธศ า, าสนามุึ่งหน้ามุ่ง คนทัาวไป จากคาราวาที่เราเคยอยู่เคอาศัยจิตใจของเราเคยได้รับความสงบเงียเย็นอย่างไรและถอดขอนที่เหลตปัญหามาและทุกขได้น้อยมากอะไรวันหนึ่งหนึ่งจิตใจของเราเกิดปัญญานิชาความรู้จากการผ่าเปียนพยายนอย่างไร หรือหากในคำหนึ่งคำนวณหรือหากในมองดูเรื่องของจิตว่ามันดีมันชั่วยอย่างไรถึงเวลาหลับก็หลั บ, บไปเวลาตื่นก็ตื่นมาถึงเวลาขบอาขันก็ขบขันกัไปแต่จิตใจใน ม, มองดูไม่รู้ว่ามันเสียหรือมันได้มันเส่อมหรือมันเจริญอย่างไรคนแบบนั้นถึงจะอยู่ในวัดในวาอาศัยศาสนาก็าเหมือ น, นกันสัตว์าตว อาศัยต้นไม้เก็ อ, อาศัยอยู่อย่างนั้นดูจินต้นไม้ยางของต้นไม้คนที่จุดต้นไม้อามีตาสากมากมายขึ้นไปต้นม้จะต้าเมื่อต้นไม้ตายล่ะตาสากกอยู่ไม่ได้ตายไปตามตามไันใดคนที่อาศัยสากนมที่ไหได้ชีวิที่ททเจริะไม่มีความผาความเพียนไม่มีความอดความคนไม่มีสติปัญญา แนะนำ่ำอนสนอนตนก็เหมือนกันกับตาสัอยู่ในศาสนรสผลที่สุดที่เหลือตันแาลสิ่งมันคลงมันเชืมันก็นะดุกขึ้นในจิตในใจของคน ม, มากม า, ายตายกองทข้าทำสี่พระกุญ จ, จากแนะนำไดยไม่มีวันมีเวลาจยัดโน้าออกมาใ้จิตใจสงบหยัดย็นได้ผลที่สุดอดัดเขาเข้าไป เพราะเรื an, war, all, ่องพิเรนปัญหาทัดขวดเขมทุกวันทุกเยละก็เลยอยู่ในสาสนะในแบบเห็ินขวาวาดยาโจมเหวกนารเรื่องการเทนเป็นของสำคัญกว่าการต่อคิปฏิบัติธรรมเลยเมาตัวกว่าไม่มีบุญวาสสถานาแต่การรักษาจิตรักษาใจใช้เกิปัญญาใช้การผ่าความเพียรคนคู่ี่เรนอ์ปัญหาไม่มี เดด้ดใจจริงจะดีกระเด่นขึ้นได้ต้องเน้นคิดคิดอะไรนาเพราะหน้าที่ของพระหน้าที่ของยิสุสามมนุษย์ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่ควรน้ควรคิดควรศึกควรอบรมพระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าในสาคนโง่ในสายคนเข่าในสายคนเสีย้า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 ดูดามันดาคู่ให้กันเนื้เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญคุณมากที่สุดสาหรับบุตรดาก่อตั้งแต่จะมีเนื้อตาสงสารอยากจะให้พวกเราท่านคนเกลาชิดที่เหลือกันเสมอกับท์าษาจตาคือะพุทธเจ้าหรือพรรยเจ้าองแนะนําท่านให้พวกเราละทั่วบเพุงดี ทวีปปุ่นสุดใสจนไม่ให้จิตใจจิตข้องในเรื่องของโลกใน ท, ท่านเจนพูนที่มีเนื้อตาสงสารมากยิ่งกว่าดีดามานดาของเราเพราะดีดามานดาบางท่านบางคนก็ย่อมสอนบุตรไปทำความทั่วต่างๆนานาซึ่งเช้นธรรเมื่อทำแล้วจะได้รับทุกรับโทษ สำหรับบุตรคนนั้นแต่บุตรที่ดาในเด็ที่นิที่จารณาขวอธรรมตามโอวาทของพ่อแม่ก็เลยเกิดเป็นคนตัว่วเสียหายใส่หมาก่าใส่กองเือนกันแต่ <c oughs> ธรรมะธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือทาริยเจ้าแม่เล่าสอนเล่าไม่อยากให้ตวกเรา ใจตัดความชั่วชั่วให้ละให้ถอนเร่องของความชั่วที่มีอยู่ทางกายก็ให้พยาบและักอนไปที่มีอยู่ในทางวาจากวรให้พยาบลรักษายาจะให้ความชั่วภายนอกเข้ามาความชั่วภายในักำจดัดตัดเต่าออกไป่ทุกวันทุกเวลาความชั่วภายในใจที่เคยชอบเคยติด เคยคิดเคยปรงไปในทางตับทำความให้ระวังรักษาให้มีสติให้มีปัญญาและสอนจิตของตนอยู่สม่ำเสมอการทำเชื่อส่วนนั้นทำไปแล้วแยกเป็นสัมแะรับความลำบากเป็นโทษเป็นชิดสอนจิตของตนะม่ำเสมอแล้วผู้นั้นถ้าหา ความทั่วในในไหลเข้ามาความทั่วเต่าที่มีอยู่ในใจตาใจกำจัดตัดเต่าออกไปทุกวันทุกเวลาความทั่วก็จะตกออกไปลุดออกไปน้อยออกเข้ามาไม่มีความทั่วที่เหลืออยู่ในจิตในใจเพราะต้กำจัดความทั่วภายในใจให้รุดให้หมดออกไปทุกวันทุกเวลา ความทั่วที่ยังไม่มีมาก็ไม่สร้างขิ้นไม่แต่ทำความทั่วจึงตกออกไปความั่วใหม่ในไหลเข้ามานี่เป็นกาปฏิบัติของนักของท่าท <ante S 1> ี่สุสามเณรจิตใจจึงเคยพุ่งเคลปรุงเคยชิดเคยติดเคข้ ในสัญญาอารมณ์ต่างหากเรามีสติมีปัญญาแนะนมันพิจิตรนาตามคำคำต่างๆของอพระพุทธเจ้าจึ้นที่มันตึดมันสิกมันมีสาระประโยชน์อะไรเราจึงพรุงไป่จิ้สุดขอ้อหากเราพิจิตรนาจริงจังหากมันดีพิจิตรคนจิตปรุงจิตชิดจิ้นสุดขอ้อให้ได้รับความสุข คาสบาอย่างไรนักาบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นตคนท่านสันนิษฐานไหมท่านเคยมีเคยเจนเคยเห็นไหมหรือหากมีเพียงเจนเพียงเห็นแต่เฉพาะตัวของเราเท่านี้ท่านเพียงเพียงี่จิกจุข้อจิตขี้จิกจิตหรือไหลลงไป สัญญาอารมณ์สิจิตชอบในจิตพระพุทธเจ้าท่านเคยมีเคยเห็นเคยเห็นเคยรู้นี้ใครว่าจะจึงมีจึงเห็นจเห็นตัางแต่เฉพาะพวกเราพระพุทธเจ้าเคยถามมาทาั้งนั้นอริยเจ้าทุกท่านคยถามเครังใคเห็นมาจึงที่จิตไปถูกไป้องไปชอบ ความจริงเรื่องจิตขาดปัญญาขากนำทำของพระพุทธเจา้ามาแน่ถอนตวรวยิ่งไปหลงไปจิตลูกจิตจิตก็เป็นลูกที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นลูกที่เคยมีนะแต่เต่าแต่ก่อนและขังเหล่านั้นก็ไม่นานมันนานเดือนนานปี ก็จะแตกสลายไปหรือไม่อย่างนั้นทางของที่ดีงามที่เราถือว่ามันสวยมันน่ารักน่าชอบอย่างนั้นอย่างเรามองเห็นผิวเผินมาเดินดูเข้าไปภายในว่ามันจะสะปกหรือมันสาดอย่างไรหรือนอกจากนั้นจะพูดถึงไรถึงสารท่องมันก็เหมือนกันกับดอกไม้เมื่อเวลามันเยื่อบ้านก็ หน้าดูแต่เมื่อมันเหี่ยวแห้งพอ้ามาก็แม่ น, น่าดูหน้าขันใดรูปที่เราไปติดท้องในจิตในใจก่อทําทนองนั้นอย่าไปดูตังแฉรูปที่มันติดข้องเขานั้นให้ดูไปถึงขอที่งแหน่ถึงปู่ย่าตายายข้องมันว่ามันเป็นอย่างไรปู่ย่าตายายข้องมันแต่เมื่อเวลามันยังหนุ่มยังสาวมันก็จะต้อง มีความสวยหมดหนังานอย่างนี้ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครชื่อใคชอบเขาปรักปรามแต่เมื่ออายุแฉะเข้าไปวันที่เคยเหลือใช้งานก็หมดเจ้าอาหารอะไรไม่ได้เจ็บปวดและก็ล่มหลุดออกจากปากไปแกงที่เครื่องต่างก้เหี่ยวเข้าไปหกเข้าไป คนที่สุดอะไรทุกอย่างตาที่เยสวยงามา่อาผมที่ดดกอห่อาหกหนวก่อหลัง่อด่อ้งาอวยะทุกอย่างจะต้องเื่อไปเยไปเราต้องูให้มันชัดเจนถ้าคนนั้นไม่เห็นต้องู่ดูแม่ดู ตาดูยาวเข้ามามันจะต้องเป็นตัวให่างนั้นอ่ไหมทิ้งดูรูปนอกถ้าดูรูปนายก็ค้นเข้าไปคิดเข้าไปว่าทั้งขารายกายของหญิงชายทั่วโลกไม่จะพูดถึงคนอืน่นตัวเราเองตรงนั้นกันมีอะไรมันสวยมันงามมีตัวไหลออกจากตายนี้เป็นที่น่าดูหน้าชมเป็นที่หน้าคิดหน้าคอ เป็นขี่แม่าละน่ายยินดีไหลออกมาทวาวรใดให้เกิดขี้ทางนั้นแต่บนจีตาก็ยังมีขี้ไม้ว่าแต่สถานที่้ใดไหลออกมาจากมนุษย์จากตัวบุคคลเป็นของตกระกตกทางนั้นเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเพราะก้อนของตกตะกตกเพื่อผ้าที่เรามนุ่งเราผมจระบอกจีวรที่เรา ใช้ก่อยกันมีการซักคอบอยู่บ่อยๆถ้าหากเราเก็บเอาไว้ในตู้ในถี่ของนั้นจะยังมีความสดสวยัดงามนี่เรามาใช้กันมาคีวันมาซักดูเก่าหุ่นว่าคุณละอองหรือของสกปรกมันออกจากเนื้อจากตายไปติดมีกลิ่นเหนิงตาบเหนิงโขงกันขึ้นถ้าเราซักหนึ่งครอบมันเป็นอย่างนี้ ่งๆกอนได้กกระบกหัวโคกไปยิ่งยิ่งไม่รักษามันไหลออกมาอย่างน้ำลายน้ำมูกของเราอาไปตกไปหล่นไปที่ไม่งีนอนเราก็แย่เกลียดในแค่กระกจอยู่ในาของเราที่เรากล้ากินเข้าไปบ้แต่พาอาสายตาเราไม่เห็นตาเราเห็นนละมันไม่น่าดูทงนั้นใน ใา่่ะมันเป็นของสวยมันเป็นของงามอะไรหลายคนคิกทุจริตนาดูคนอืนเขาเล่าตรงเหือนกันกับเราเพราะเขากินของตกระกบเข้าไปทุกวันทุกเวลาฮะาม่กินของตกระกบอย่างนั้นขาดแข็ตั้งอยู่ไม่ได้จะต้องแต่ฉลายไปร่างกายกินเป็นของตกระกบจิตใจเนื้อที่จิตเนื้จรตนาของตกระกบ